บัตรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในคำกล่าวยกย่องพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านมานุษย์ทั้งสี่หกกวนั้นคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระจักสุข เป็นคำที่กล่าวกันมากคำามาจักสูต น, นโดยพุ่งหมายแล้วก็หมายเอาพระปัญญาคุณของพระภูมีพระภาคเจ้าซึ่งท่านได้จำแนกจักรสออกไปเป็นห้าประการคือมังสะจักรุูได้แก่ดวงตาธรรมดาพระภูมีพระภาคเจ้ามีพระเนตร ที่บริสุทธิ์ไม่ถูกโรคภัยเบียดเปลียนแม้พระชนจะยืนมาถึงแปดสิบพรรษาแล้วแต่ทรงทอดพระเนตรอะไรได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยไม่มีปัญหาในส่วนของพระเนตรขอ น, นี้ได้แสดงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการถวายทานโดยเฉพาะคือปริทีบ แล้วก็มีบางครั้งบางพระชาติที่ได้สละอวัยวะของพระองค์ไปช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นส่วนนี้จึงเป็นเรื่องของอดีตกรรมคือผลบุญที่ทรงกระทาเอาไว้อำนวยผลออกมาในลักษณะนั้นประการที่สองคือปัญญาจากสุลูกตาปัญญาเป็นผลของบา ร, รมีธรรมประการหนึ่ง นในขณะเดียวกันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามจนตรัสรูป้ประการกรนีนนท่านอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระปัญญาว่องไวรวดเร็วทรงรอบรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงบางครั้งแม้มีปัญหาบาังเกิดขึ้นมีคนมากราบทูลถามปัญหา คำถามนั้นยังไม่จบก็ส่งตอบแล้วจนบางคนมีความค่องใจสงสัยว่าพระพุทธเจ้าคิดก่อนจึงตอบหรือว่าตอบโดยไม่ต้องคิดได้ทรงรับสั่งชี้แจงเห็นว่าปัญญาคือความรู้นั้นเกิดสัมพันธ์กับปัญหาที่ถามแาะพอได้ยินปัญหาความรู้ก็เกิดขึ้นทันทีว่า คำตอบเป็นยังไงถึงท่านอธิบายว่าเป็นความคิดอย่างรวดเร็วจะดูคล้ายๆกับไม่ได้คิดและพระองค์ทรงรู้ธรรมะในฐานะต่างๆตลอดตลอดถึงรู้โลกด้วยประการทั้งปวงโดเฉพาะในที่นี้จะพูดถึงพยานที่ทำให้ทรงรอบรู้สิ่งที่เราเรียกว่าอธิมุต เกิดตาสัยพื้นเพ ข, ของบุคคลจึงแตกต่างกันธรให้ธรรมะที่ทรงแสดงก็จจำแนกออกไปเป็นปริยายคือนยยต่างๆสมกับฐานะของผู้ฝึกพุทธเบนยัยคือคนที่พอจะฝึกปรืออบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้จนในชื่อว่าเป็นสทัทธาวัวะมนุษย์สานัง จะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโลกคือหมู่สัตว์นั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วเรเป็นไปอย่างที่ส่งตอบแก่ท่านอาชิตย์มานุกว่าถูกวิชาคือความมืดมืดทุ้มห่อเอาไว้จึงหลงประดุดจะอยู่ในที่มืดแต่ในขณะเดียวกันกิเลส เอวิชานั้นเป็นรากงาวเป็นต้นข้าวของสรรพกิเลสทั้งหลายปริยายแห่งธรรมะจึงไม่ได้มุ่งไปที่อวิชชาเพียงอย่างเดียวมุ่งไปแก้ที่องค์ประกอบต่างๆของอวิชชาด้วยและธรรมะที่ทรงแสดงส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่แก้ความโลภความโกรธความหลง เป็นประการสำคัญเพราะการของความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นอาการที่ปรากฏชัดแก่จิตใจของบุคคลส่วนอวิชาเป็นความมืดบางครั้งคนก็มองไม่เห็นว่าเราอยู่ในที่มืดอวิชาจึงมักพูดในธรรมะชั้นละเอียดจะไม่พูดในธรรมะทั่วๆไปเพราะบุคคลมองเห็นได้ยาก เอาตำนองใกล้ๆกับว่าคนนุ่งผ้าดำก็ดูสิ่งที่แปดเปื้อนในผ้าดำนั้นดูยากแต่ถ้าดูในผ้าซึ่งมีสีอย่างอื่นก็ดูง่ายการดูจิตใจที่ประกอบด้วยอวิชชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นั้นจะพบว่าไอ้ทรงจำแนกแสดงประเภทของคนเอาไว้ที่ว่า คนโง่ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่คือที่เป็นเป็นคนโง่จริงๆซึ่งแสดงเห็นว่าความโง่นั้นเป็นความมืดบอดได้แก่วิชาแต่พอดีคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในที่มืดไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็กลายเป็นคนไม่รู้อย่างแท้จริงแต่ว่าคนบางคน ตนเองไม่รู้แต่ก็รู้ว่าตนเองไม่มีความรู้ก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้รือทำให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้อาการของโลภะโทสะโมฆะเป็นอาการที่ปรากฏแก่ใจของบุคคลก็เรียกว่าในชีวิตประจำวันนั้นเกิดดับเป็นร้อยๆครั้งบันพันครั้ง เวลาจะวิเคราะห์ตรวจสอบมันก็วิเคราะห์ตรวจสอบง่ายเรืปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมลนแล้วแต่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของกิเลสทั้งสามกองนี้ปริยาแห่งธรรมะจึงเน้นไปในเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชั้นทานชั้นศีลหรือชั้นภาวนาก็ตามเฉพาะในที่นี้จะพูดถึงภาวนา ที่ทรงอาศัยพระปัญญาจากสุรู้ความจริงทั้งของคนและของธรรมะเพราะคนที่มีพื้นอัิยาศัยอย่างนี้มีความโน้มเอียงคือมีความหนักไปในด้านนี้เวลาบำเพ็ญเพียรภาวนาควนจะใช้บริกรรมกรรมฐานข้อไหนหรือควรจะใช้มัญสิการคือความใส่ใจในเรื่องอะไรให้มาก ลักษณะของความคิดที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมะหะนั้นเป็นความคิดที่แล่นไปหรือสายไปในอารมณ์นั้นๆโดยกำหนดทิศทางไม่ค่อยได้ดังนั้นเวลาทรงแสด ง, สดงธรรมะบางครั้งก็แสดงในแนวของการประกบคืคอแก้กันตรงๆอย่ในกรณีที่ จิตใจของคนประกอบด้วยโลภะราคะความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายก็ทรงสอนกรรมฐานประเภทที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานบั้งหรือกายกตาสติบั้งหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าปฏิกูลปพภ ะ, ะบัางซึ่งก็หมายถึงการพยายามตรวจสอบสิ่งที่ใจบุ คนไปกำหนดว่าสวยงามนั่นเองให้เห็นในแง่ของความเป็นจริงที่ยังลึกลงไปเพราะความสวยงามเกิดขึ้นจากการปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลเองความสวยงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงเกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดไม้เอา การที่ใจต้องกำหนดหนดหมายเช่นนั้นก็เพราะมีความมืดบอดและมีราคะความกำาหนัดในสิ่งนั้นซึ่งก็นี้สามารถดูได้ว่าการกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะ ก, กลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องของคนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ตรงกันแม้บางครั้งจะตรงกันแต่ก็แตกต่างกันในรายละเอียดในข้อปริย่อยของเรื่องดนั้น ซึ่งกนนีได้ส่งชี้แจงถึงต้นเหตุของการกำหนดหมายบ้าบางคนก็กำหนดหมายโดยดิมิตคือพูดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสัตว์กันไปเลยที่ต่านใช้สำนวนอีกอย่างหนึ่งว่ารวบถือหมายความว่ารวบเข้ามาทั้งหมดแล้วก็ถือไว้ทั้งหมดว่าสิ่งนี้สวยเสียงนี้ไพเราะ กล่นี้หอมรถนี้อร่อยสัมผัสนี้น่าจะต้องเมื่อการกําหนดเช่นนั้นเขาก็เพิ่มปริมาณของราคะเพิ่มปริมาณของโลภะให้สูงขึ้นเป็นไปาตามสูตรของกิเลส ท, ที่ทรงแสดงว่าโหโนภวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปหรือเป็นไปาตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในสมุทัยวาน หมวดที่วาด้วยสมุทัยอริยสัจที่ว่าตนาเกิดขึ้นพระตัณหาเป็นลักษณะที่เกิดซ้ำในจุดเดียวกันนั่นเองแจึงบุคคลสามารถสังเกตได้เจรจาประทานอาหารอร่อยก็รับประทานต่อไปอีกไล้ประหมดแล้วก็ปรารถนาที่จะรับประทานอีกจนกลายเป็นของชอบใจของถูกปากของตน นี่แสดงเห็นะว่าตัณหามันเกิดขึ้นเพราะตัณหาคือเกิดขึ้นในจุดนั่นเองเพื่อบุคคลได้มองเห็นความเป็นจริงก็ทรงยกอการมฐานเหล่านี้ขึ้นมาดูในกรณีที่ถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกถือก็ดีถือโดยนิมิตคือรวบถือไว้เป็นชิ้นเป็นอันก็ดีนั่นเพื่อบุคคลมองในจุดนั่นเอง จุดที่ใจของบุคคลกำหนดใหม่ว่าสวยว่างามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งอาจจะดูตรงไหนก็นได้ตามปกติแล้วก็จะพูดเฉพาะสิ่งที่ปรากฏแก่ตา ก, ก่อนที่ต้องเรียกว่าตจาจัญรจั ก, กรกมฐานคือก ร, รมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าคือนับไปจากผมขนและฝันหนัง ในผมคนเล่นฟันหนังนั่นเองจะหยิบเอาจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาดูก็ได้ให้เห็นถึงความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยจี่เกิดโดยที่อยู่โดยสถานะของเขาเองก็งไม่มีอะไรที่ชื่อว่าสวยงามอย่างแท้จริงเป็นของปฏิกูลโดยสถานะของเขาและก็อิงอาศัยอยู่กับสิ่งปฏิกูล จเจริญเติบโตอยู่ท่ามกลางสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเบื่อใจก็บุคคลสามารถถ่ายถอนความกำหนัดลงไปเมื่อถ่ายถอนได้กิเลสประเภทโลภะกนลดประเภทโทสะกนลดโดยการไ่อยควา้าปรารถนาในอรมทั้งหลายก็จะบาบางลงไปแต่บางครั้งคนไม่สามารถจะเข้าถึงได้ขนาดนั้น ก็จะทรงสอนในระดับที่ลดหลั่นลงมาเช่นสอนให้บุคคลรู้จักประมาณคือพอดีรู้สึกพอใจพอดีพอควรพอประมาณตามฐานะนั้นๆเช่นในการไปพกใช้สอยปัจจัยสี่ไม่ให้ทำไปตามอำนาจของโลภะหรือตันหาที่บังเกิดขึ้นเพราะถาไมอย่างนั้นแล้วก็จะต้องตกเป็นทาตของตันหา ตึกนึกไขวคว้ า, วาสแสวงหาถือครองเดือดร้อนรุ่นบายกับการปกปักรักษาต่อสู้เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเวลาสิ่งเหล่านั้นถูกคนคุกขามหรือถูกคนลักคนขโมยไปก็ข้าวัตจักแข่งเวีนภัยประสงสอนในแนวที่ให้รู้จักประมาณพอเหมาะพอควรแต่บางที กระแสของตันหาอย่างแรงใจคนหนึ่งหยุดอยู่ไม่ได้จตรยมไขว่ ค, ควา้าปรารถนามากยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นก็มีเขตแดนมีกำแพงที่กั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งไปถึงจะลั่นเลยไปยังไงก็ตามก็ขอให้อยาเป็นการเบียดเบียนต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งก็นี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างรุนแล้วแต่เป็นการลดความรุนแรงของกิเลสประเภทโลภะหรือราคะลงธรรมะจึงแบ่งออกไปเป็นประยายต่างๆแ้วก็มีเป้าหมายที่จะลดกิเลสประเภทนี้ลงไปและการลดนั้นแท้ที่จริงแล้วเมื่อลดจุดหนึ่งจุดอื่นก็จะลดตามไปด้วยแต่เวลาเน้น จะเน้นไปตามอัธยาศัยของคนคนนี้หนักไปในด้านนี้กรรมฐานเช่นนี้เหมาะควรแก่คนนี้ก็ส่งแสดงกรรมฐานเขานั้นไปในกรณีที่คนประกอบด้วยโทสะคือหนักไปในด้านโทสะมักมองคนมองสัตว์มองสิ่งของในแง่ร้ายเสมอไป มาเกิดอรติความไม่ยินดีปฏิฆะความหงุดหงิดโกทะความโกรธโทสะความปัททุสร้ายเป็นคนจิตใจไม่สงบมีความเร้าร้อนดุนแรงเหมือนกับ น, น้ำที่เดือดพล่านเมื่อร้อนเมื่อต้องแก้ด้เย็นจึ่งก็เป็นสูตรธรรมชาติธรรมดาพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมคือเมตตาภาวนา ให้บุคคลปลูกฝังเมตตาจิตต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายและการปลูกฝังนั้นถึงสังเกตว่าไปทรงเริ่มต้นมาตั้งแต่ชั้นธรรมจริยาคือชั้นหล่งๆให้บุคคลยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่สถานะภายในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันยังไงก็ให้เคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะอย่างนั้น เกี่ยวข้องคนอื่นก็ให้ปฏิบัติโดยนิย่าเดียวกันพอเกี่ยวข้องกับสังคมก็พยายามสร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นสาขายกับบุคคลภายในสังคมแล้วก็หยับเรื่อยๆไปจนจิต ใ, ใจมีความกว้างมากยิ่งขึ้นมีความเอื้ออารณต่อ บ, บุคคลอื่นสูงขึ้นเข้าใจปัญหาของชีวิตมากยิ่งขึ้น ก็ทรงสอนในแนวที่จะให้มองคนและสัตว์ทั้งหลายในแง่ที่เป็นสัตว์ทั้งหลายหรือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมร่วมตายด้วยกันต่างคนต่างเป็นผู้อาศัยไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกแต่อีกไม่นานก็ต้องจากไปแล้วการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันนั้นเป็นทางแห่งเวรภยัย การเข้าไปปลูกเวรว่าคนนี้ด่าเราคนนี้ประหารเราคนนี้ประทุษร้ายคนของต่อเราคนนี้คิดไม่ดีต่อเราเป็นต้นเวรจะไม่สงบระงับแต่จะสงบสงบระงับได้ก็เมื่อบุคคลไม่เข้าไปปลูกใจในลักษณะนั้นเพื่อยุติเวรภัยระหว่างกนนอะกัน ยุติเวรภัยภายในจิตใจธรรมะก็ปรับตัวเองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงเมตตาภาวานาในเมตตาภาวานานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกไม่ใช่ด้านจิตใจอย่างเดียวแต่ให้บุคคลแสดงออกได้ทางทางกายด้วยทางทางวาจาด้วยภพระรมะปฏิบัตินั้นจะเป็นคล้ายๆกับการ รับประทานจาหรือการศึกษาแล้วสอบไล่ที่จะต้องมีการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนเกิดขึ้นจากการรักษาเกิดขึ้นจากการทำงานของบุคคลผู้นั้นว่าได้ผลจริงหรือไม่เพราะถ้าไม่มีการตรวจสอบมันก็ไม่รู้ว่าได้ผลจริงหรือไม่แต่ใครล่าจะตรวจสอบบุคคลคนนั้นเองจะต้องตรวจสอบด้วยตนเอง พอหลักธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ได้มองไปที่คนอื่นเป็นประการสำคัญแต่บองที่ตัวเองเป็นประการสำคัญให้วิเคราะห์ตรวจสอบดูตนดูความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ภายในใจตนเนื่องจากตามปกติแล้วคนเราจะทะนุถนอมตนเองเข้าข้างตัวเองเพราะความเห็นแก่ตนแต่การที่ใครสามารถมองเห็นโทษคือความผิดภายในใจตนได้ และมองเห็นความดีที่เพิ่มขึ้นของตนได้ตามความเป็นจริงก็ชื่อว่ามีปัญญาที่ประจักษ์ระดับหนึ่งการมองได้เช่นนี้ผู้บุคคลมองเห็นส่วนที่บกพร่องก็จะพยายามแก้ไขมองเห็นส่วนที่ดีงามก็พยายามรักษาและพยายามเพิ่มพูนเพราะนันการจเจริญไมตาภาวนา จึงสามารถตรวจสอบได้ในการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นเมตตาจึงแสดงไว้สามทางคือไม่ใช่ทางใจทางเดียวต้งช้คำว่าเมตตากายกรรมังเมตตาวจีกรรมังเมตตาปโกนกรรมังเมตตาที่เกิดขึ้นทางกายเป็นการประพฤติการกระทําต่อบุคคลอื่นในทางเอื้อเฟื้อ มุ่งผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นเป็นที่ตั้งเช่นช่วยเหลือควนขวายในกิจการงานที่ชอบที่ควรการกระทําเหล่านี้ในแง่ของบุญก็เป็นว ย, ยาวัจจะใหม่บุญหรือบุญที่เกิดขึ้นโดยการช่วยเหลือพนขวาในกิจการงานที่ชอบของบุคคลอื่นในด้านคุณภาพทางจิตการที่บุคคลสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้นั้น แสดงเห็นว่าภายในจิตใจของบุคคลนั้นจะไม่มีโทสะหรือความคิดประทุษร้ายหรือความโกรธหรือความอาคาตพยาบาทต่อคนที่ตนเข้าไปช่วยเหลือเขาและเมื่อเริ่มต้นได้อย่างนี้คนมีความเกี่ยวข้องถึงกันเช่นไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทต่อนายกอ ก็จะเลยไปถึงพัญญานายกอลูกหลานานายกอย่าพี่น้องนายกกระจายตัวเองออกไปแต่เป็นการกระจายในแนวธรรมะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในสายของโทสะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเช่นว่าโกรธานายกแล้วก็ไม่ไม่พอใจพัญญานายกเพราะเหตุว่าเป็นพัญญาของนายกไม่ชอบลูกเพราะเหตุว่าเป็นลูกนายก ไม่ชอบญาติพี่น้องเขาเพราะเป็นญาติพี่น้องนายกอไม่ชอบนามสกุลเขาที่อยู่ที่ใครจะใช้ก็ตามประเหตุว่าเป็นนามสกุลเดียวกันนายกอเป็นตน้นนี่คือการกระจายตัวของกุศลธรรมและอกุศลธรรมแล้วเกิดขึ้นแก่คนมันก็ไปกระจายตัวออกไปในละักษณะนั้นทั้งสองฝ่ายและยังพอกระจายออกไปเราจะบอกว่ามันจะไปเพิ่มกิเลสประเภทโลภะด้วย ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเกิดไม่ชอบนายกเห็อนลูกหลานของนายกประสบความเดือดร้อนตนเองอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็เด็กก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับตนแต่ตนก็หวงไม่ยอมช่วยเหลือเขาเหตุผลก็คือว่าไม่ชอบพ่อของเขาแสดงเห็นว่าโทสะเป็นเหตุให้เกิดโลภะ เปนเหตุ้เกิดมัจฉริยะแต่ในทรรนองตรงกันข้ามเมื่อเมตตาภาวนาบาังเกิดขึ้นภายในจิตแสดงออกมาได้ทางกายไปช่วยเหลือนายกได้ก็ช่วยเหลือพัญญานายกลูกหลานนายกญาติพี่น้องก็นายกได้ธรรมะก็กระจายออกไปในลักษณะที่กว้างขวางแม้จะจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จริงเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเริ่มจะจุดเล็กๆ อากุศลก็เริ่มจากจุดเล็กๆกุศลก็เริ่มจะจุดเล็ก ๆ, กจจกๆแต่จ ะ, จะเจริญเติบโตไปโดยลำดับเมื่อได้ปัจจัยสนับสนุนและการเวลาเข้ามาเป็นเงื่อนไขสนับสนุนอีกประการหนึ่งในการแสดงออกทางวาจาเวลาพูดจากับบุคคลอื่นหรือพูดจาถึง บ, บุคคลอื่ น, าบบคคน ต, ตามปกติแล้วคนเรา เวลาพูดจากับบุคคลอื่นนั้นมักจะตกอยู่ภายใต้ครองของอกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพูดถึงบุคคลอื่นเป็นการพูดรับหลังเขามักจะพูดไปในแนวนินทาประรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พูดได้ถนัดแต่ถ้าจิตประกอบด้วยเมตตา ต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นรับหลังอย่างไรต่อหน้าก็อย่างนั้นคือสามารถที่จะประคองต้อยคําของตนให้กรอบด้วยเมตตาได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังของบุคคลอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอาวิเจวารโคจะคือทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่สดแสดงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง เพราะนั้นเป็นการพิสูจน์ถึงคุณธรรมภายในใจที่เน้นใ้เห็นหรือสะท้อนใ้เห็นถึงความมีเมตตาอยู่ภายในใจของบุคคลผู้นั้นข้อนี้เราสังเกตว่าในชั้นศีลธรรมจัญญาที่ประณีตเรียกว่ามีคุณสมบัติของผู้ดีเราพูดถึงคนที่เป็นผู้ดีผู้เจ้าก็เป็นวจีสุจริต จะไม่พูดจาในทางไร้ต่อบคุคคลอื่นในที่รับหลังแต่ากว่าเขาผิดจริงไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรจริงก็จะไปพูดกันต่อหน้าเราพูดแล้วแก้ปัญหาได้การพูดจาการรับหลังนั้นพูดไปก็แก้ปัญหาไม่ได้และตนเองก็สูญเสียเวลาจิตก็เศ้าหมองไปด้วยแรงผลักดันของอกุศล อาจจะเกิดจากริษยาบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างก็แล้วแต่ว่าอะไรเป็นตัวนำให้ตนพูดในกรณีทังนั้นแล้วเมื่อเมตตาภาวนาเข้าถึงใจก็จะกลายเป็นเรือนใจเมตตาเป็นสภาวะเย็นโทสะมีลักษณะร้อนเพิ่งก็แก้กัน ปริมาณของเมตตาที่บังเกิดขึ้นนั้นจะทําหน้าที่ลดความรุนแรงของโทสะไปโดยลําดับจนจิตใจของบุคคลเข้าถึงความสงบเย็นในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้โดยนัยะเป็นนั้นมากไปชี้ให้เห็นถึงแนวรูปของอานิสงส์บ้างแนวของพื้นในด้านจิตใจและแนวที่เป็นบารมีธรรมเป็นต้นพระเมตตาจะปรากฏอยู่ในองค์ธรรมเป็นนั้นมาก โดยทงที่เห็นว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของโทสะความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดเป็นต้นนั้นแม่บุคคลให้บังเกิดได้เพียงชั่วขณะช่วขณะจิตเดียวสงชายสำนวจาดีว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวคือช่วยช่วการกระดิดนิ้ว ตอนนั้นแต่ก็เป็นธรรมมีผลมีอนิสงส์มากตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะมื่แกเกิดขึ้นแล้วแก่ไปคายจัดมุนชินใจคือโทสะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อแกคายจัดก็ไม่ได้คายจัดจเฉพาะโทสะไปคายจัดถึงมัจจริยะคือความสนัยซึ่งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าโมหะเองก็ลดลงไป บุคคลจะไม่เหมาโหลคือจะแยกได้อย่างจากตัวอย่างที่กล่าวในตอนต้นที่ไม่ชอบนายกอเมื่อถึงคราวจะสงเคราะห์ลูกขกองนายกอก็แยกลูกนายกอออกจากนายกอได้ทํานองที่เราพูดกันว่าควายใครเข้าข้อคนนั้นถ้าใครทํากรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้น ความไม่ดีถ้านายกอมีก็เป็นเรื่องของนายกอไม่ใช่เรื่องลูกของนายกอทำให้บุคคลพร้อมที่จะสงเคราะห์นายกอได้ลูกนายกอได้มีแสดงถึงว่าตัวโมหะนั้นได้ถูกขจัดให้เบาลงไปจนประกายของปัญญาเปล่งขึ้นพอที่จะใช้เหตุผลแยกแยะได้ไม่มีการกระทําในลักษณะที่เหมาโล ซึงตามปกติแล้วสามัญนนชนทั่วไปนั้นจะมองในแง่ของการเหมาไปแต่สำนวนการเหมาในลักษณะนี้แม้ในสมัยพุทธกาลก็มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับคนที่มีกิเลส จ, จะมองอะไรในแนวมองเหมาไปโดยจะว่าคือมองในด้านไม่ดีอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลพอพระไปทำอะไรผิดเข้าสัองค์หนึ่ง ชาวบ้านก็จะทำนิสมณะสักกยบุตรคือจะทำนิว่านักบวชลูกของสักยะทั้งหมดคือหมอไปทั้งหมดทั้งทั้งที่ททว่าคนทําเป็นคนเดียวนี่แสดงอิทธิึงโลภโทสะโมหะที่มีอยู่มากจนไม่สามารถแยกได้ว่าใครเป็นใครใครทําอะไรใครทําหรือใครไม่ได้ทําใครควรยกจ้องใครควรได้รับการตําหนิ ดนั้นธรรมะปฏิบัติเหล่านี้เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ปัญญาที่สมบูรณ์เต็มที่ที่แจงแสดงสั่งสอนไ้เพื่อแก้ปัญหาภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายเมื่อบุคคลเลือกเฟ้นนำไปประพฤติปฏิบัติตามพื้นอัธยาศัยของตนแล้วก็จะผ่อนปลนลดละบันเทาให้กิเลสเหล่านั้นเจือจางบาบางลงไปได้ตามลาดับ ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป